เราจะต้องแต่งอยู่เสมอทําความสะอาดอยู่เสมอไม่ได้ห้ามให้เราแต่งตัวไม่ได้ห้ามให้เราทําความสะอาดผมแต่ท่านจะสอนให้เรานี้ทาความสะอาดตลอดเวลาแต่พร้อมกันนั้นก็ให้พิจารณาด้วยว่าเป็นของปฏิกูลอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนใปนเรื่องปฏิกูลทั้งนั้นเราไม่ควรที่จะไปเสริมสร้างแต่งตัวอะไรแต่อะไรไม่ได้ แล้ววันในวินัยนี้ระบุไว้เลยถ้าพระนี่ไม่ปรงผมตรงหนวดหรือไว้ผมยาวไว้หนวดยาวต้องเป็นอาบัตต้องปรงทุกเดือนเดือนหนึ่งต้องปรงผมทิ้งและคิ้วก็ต้องปรงทิง้งหนวดก็ต้องปรงทิง้งเสร็จแล้วเล็บเอาไว้ยาวก็ไม่ได้สอนให้ตัดเล็บถ้ายังสอนให้อาบน้ําด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยเหมึนสาบให้ทําความสะอาดร่างกายเล็บเอาไว้ยาวก็ไม่ได้เป็นอาบัตต้องตัดเล็บให้สั้น เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ถึงสอนให้เราพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลก็ไม่ใช่หมายความว่าให้เราเนี่ยปล่อยเป็นปฏิกูลเราอยู่ในสังคมมนุษย์ต้องมีวัฒนธรรมนั้นวัฒนธรรมนิยมอย่างไรเราก็ต้องนิยมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะแต่งผมอย่างไรก็ได้เราจะประทินผิวอย่างไรก็ได้แต่ว่าก็ให้พิจารณาถึงความจริงส่วนนี้ด้วยเราจะต้องแปลงฟันเพราะถ้าเราไม่แปลงฟันแล้วก็เป็นอบัติอีก พระพุธองค์ก็ตรัสโทษของคนไม่แปลงฟันปาทำให้ปากเหม็นบัางทําให้บริโภคอาหารลงไปแล้วเป็นบ่อกเกิดของโรคกระเพาะ อ, อาหารโรคลาไส้ต่างๆท่านก็สอนให้เราทําความสะอาดแต่พร้อมวันนั้นก็สอนให้พิจนารณาถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่หมายความว่าเมื่อปฏิบูลแล้วเราจะต้องปล่อยประละเลยร่างกายอย่างนี้เราไม่ทําความสะอาดไม่ตกแต่งอะไรหละ่ะแต่งได้ตามปกติ แต่ว่าเราต้องพิจารณาความจริงไม่ใช่แต่งด้วยควา ม, มงมงายหรือด้วยความหลงไหลแต่ว่าต้องรู้ความจริงของสิ่งที่เรามีอยู่และที่เราแต่งกันอยู่ปัจจุบันว่ามันคืออะไรและที่แท้จริงเป็นอย่างไรข้อนี้มีผลในด้านการปฏิบัติหลายอย่างเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอแล้วจิตนี้จะมีสมาธิดีขึ้นไม่ฟุ้งซ่านและไม่งม ง, งาย ในสิ่งต่างๆจนเกินไปนักถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาเช่นนี้แล้วเราก็จะขาดหลักยึดเหนี่ยวในทางใจยิ่งผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนไว้เป็นหมวดต้นอุปช า, าจาร์ที่จะบวชคุลบุตรสมัยหลังก็เอามาบอกเป็นกรรมฐานเรื่องแรกเป็นมูลกรรมฐานทีเดียวว่า อันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เธอจะต้องบริกรรมอยู่เสมอเสมอแล้วจึงให้ระบวดในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มุ่งต่อความสงบสุขในปัจจุบันก็ควรเจริญกายคตาสติขอ้อณีไว้ส่วนในหมวดอื่นๆที่ท่านได้วางไว้เป็นหลักปฏิบัติสําหรับในกายคตาสติเนี่ยเช่นอย่างในหมวดว่ากัปัญจากะกดีหรือปภัสสะาาปัญจากะกดี อันนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่เราจะค่อยๆศึกษาไปทีละขั้นแต่ว่าขั้นนี้ให้ท่านทั้หลายนั่งบริกรรมนั่งนับวิธีนั่งก็เหมือนกับการทำสมาธิในด้านอื่นอื่ท่าขวาทับท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วเราบริกรรมในใจว่าเกศาโรมานาขาทันตาตจโจให้พิจนารณาอยู่เสมอเกศาโรมานาขาธันตาตจโจ ตาโจทันตาณขาโลมาเกสาพอท่องอนุโลมคล่องดีแล้วแล้วก็ท่องเป็นปฏิโลมย้อนขึ้นไปให้คล่องปากคล่องใจแล้วก็พิจารณาอยู่เสมอเสมอท่านจะรู้สึกว่าใจเนี่ยสงบใจเบารู้สึกจะเยือกเย็นลงทันทีเป็นเครื่องกำจัดความฟุ้งซ่านในใจได้มากเนี่ยเป็นเป็นวิธีปฏิบัติ ที่ทานทั้งหลายลองทดลองดูก่อนช่วระยะเวลาเจดวันเพราะว่าวันอาทิตย์หน้าจะต้องมาบรรยายในหมวดต่อไปวันนี้เอาเพียงแค่หมวดนี้ก่อนแล้วก็อาทิตย์หน้าจะได้พูดในหมวดต่อว่าวิธีปฏิบัติในหมวดต่อไปแล้วก็วิธีพิจารณานั้นเราจะพิจารณากันอย็นใจเพราะว่าวันนี้เวลาของการบรรยายก็สิ้นสุดลงแล้วท่านสาวตุชนทั้งหลาย เมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกายคตาสติคือการใช้สติระลึกถึงกายเป็นอารมณ์ได้ที่บายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงหลักปฏิบัติในกายคตาสตินี้ได้ทราบไปตอนหนึ่งแล้วว่าหลักปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง และได้ให้ท่านทั้งหลายไปทดลองปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งซึ่งเป็นมูระกรรมฐานมูระกรรมฐานนี้ประสงค์ที่บวชใหม่ๆที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือสมณเณรก็ดีจะต้องสาธยายเป็นอารมณ์ถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่คืออุปชัยญาท่านจะสอนในเรื่องนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้น และได้เชิญชวนให้ท่านทั้งหลายทดลองไปปฏิบัติดูว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างในด้านของการนับคือนับส่วนสำคัญอันเป็นส่วนของกายอันมีผมขนเล็บฟันหนังหรือในบาลีใช้คำว่าเกษาโลมาณขาทันตาตะโจรวมเป็นห้าเรียกว่าต ah, ah, ัจปัญจกรรมฐาน ซึ่งกรรมฐานที่มีตักโจคือหนังเป็นที่ห้าอันนี้เป็นวิธีที่จะได้ใช้สำหรับบริกรรมให้เกิดสมาธิจิตวิธีปฏิบัติอันนี้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการรายละเอียดแล้วอาตมาเคยเขียนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในเร่มที่หนึ่ง ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานยังไม่ทราบว่าที่สนักงานยังมีเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าได้เคยเขียนเป็นบทเรียนพระไตรปิฎกมาครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเจริญกายยคตาสติถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสนใจในการปฏิบัติแบบนี้ก็จะได้หลักฐานที่แม่นยำจากหนังสือเล่ม น, นั้นสำหรับ ป, รปฏิบัติใน หมวดที่หนึ่งคือให้บริกรรมเกสาโลมานาขาทันตาตะโจทั้งห้านี้เป็นอารมณ์นั้นเราจะต้องท่องให้คให้คล่องปากท่องให้คล่องปากท่องให้ขึ้นใจจาได้แม่นยำแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาลักษณะเป็นต้นของเกสาโลมานาขาทันตาตะโจอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติ ในในหมวดที่หนึ่งซึ่งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงลักษณะของผมขนเล็บฟันหนังไปแล้วสำหรับในวันนี้เราจะได้ศึกษาถึงหมวดที่สองคือวัค ก, กะปัญจกะเราเรียกในสมนวนนักปฏิบัติว่าวัคกะปัญจกะกรรมฐานซึ่งถ้าแปลตามเสาวก็แปลว่า กรรมฐานที่มีวัค ก, ก้คือม้ามเป็นที่ห้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่จะเป็นอุบายให้จิตนี้บรรลุถึงซึ่งความสงบแล้วก็เกิดสติปัญญาขึ้นเพราะว่ากายยกตาสตินี้เป็นกรรมฐานสําหรับพวกที่เป็นปัญญาจริตท่านทั้งหลายที่มีปัญญามากควรจะได้ปฏิบัติกรรมฐานประเภทนี้ เราะเราย่อมจะได้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องในว่ากะปัญจากานี้ก็มีอยู่ห้าข้อเช่นเดียวกับตัะจะปัญจากะเหมือนกันคือมีมังสังมังสังเนี่ยแปลว่าเนื้อณนหารูซึ่งแปลว่าเอ็นอัถิแปลว่ากระดูก อัธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังแปลว่าม้ามมีอยู่ห้าข้อคือข้อที่สองนี่ให้พิจารณาเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็ม้ามมีอยู่ห้าข้ อ, อ, อซึ่งหลักกรรมฐาน ข้อที่สองนี้เราต้องทราบถึงลักษณะของลักษณะที่เราบริกรรมอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรเท่ากับว่าท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ถึงเรื่องสรีแล้วคือเรียนให้รู้เรื่องถึงเรื่องร่างกายของเราเนี่ยโดยปกติแล้วที่เราได้เคยศึกษากันมาเกี่ยวกับเรื่องของรูปประคันนั้นท่านจะแสดงแต่เรื่องของรูปประมัต ตั้งแต่มหาภูตรูปสี่ซึ่งมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและก็ลักษณะของธาตุและกูปลาทายรูปยี่สิบสี่แต่ถ้าพูดถึงคำว่ารูปแล้วเราก็หมายถึงรูปร่างกายนี้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นสิ่งเข้าใจง่ายและเห็นชัดกว่ารูปอื่นๆที่เป็นรูปปรมัตร์แต่ว่ารูปร่างกายนี้เราอาจจะไม่ทราบว่าส่วนประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ มันมีลักษณะอย่างไรบ้างซึ่งการเรียนรู้ถึงลักษณะของร่างกายเราเองอย่างถูกต้องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติมากทีเดียวเช่นถ้าถามว่า <c oughs> พวกเราทุกคนเนี่ยมีเนื้อกันคนละกี่ชิ้นเราก็คงจะตอบกันไม่ถูกว่าเอเนื้อทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่ชิ้นเราอาจจะไม่ทราบเลยว่าเรามีเนื้อมาฉาบทาเนี่ยกี่ชิ้น ในกรรมฐานหมวดนี้คาว่ามังสังซึ่งแปลว่าเนื้อเราจะต้องเข้าใจซะ ก, ก่อนว่าเนื้อในที่นี้ได้เก่นเนื้ออะไรบ้างคำว่าเนื้อในที่นี้ท่านหมายถึงเนื้อทั้งหมดที่ประกอบเป็นร่างกายเราขึ้นมามีจำนวนทั้งหมด900ชิ้นทุกๆคนจะมีเนื้อคนละ900ชิ้น900ชิ้นอันนี้เป็น เป็นหลักฐานที่แสดงไว้ในคำพีพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำภีพระวิสุทธิมัสว่าเราเนี่ยมีเนื้อกันทั้งหมดคนละเก้าร้อยชิ้นถ้ากล่าวโดยสี <c oughs> เนื้อของคนเราทุกคนนี้มีสีแดงเหมือนกับดอกทองกวาวสีเหมือนดอกทองกวาวเออสีของดอกทองกวาวเนี่ย บางทีก็ทำให้สุนัขแก่ๆหลงเช่นดอกทองกวาวที่บานสะพรั่งอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นทองกวาลสุนัขจิ้งจอกแก่ๆบางตัวเนี่ยตาฟางเห็นเป็นว่าเอ๊นี่คงจะเป็นเนื้อละกระมังกระโดดขึ้นงับผอสุดท้ายก็ผิดหวังตกลงมาเจ็บบางทีก็สิคโครงคลากไป เราเข้าใจว่าดอกทองกวาวนั้นคือเนื้อที่ตนเองจะบริโภคได้อย่างอิ่มแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เนื้อสีมัน ค, คล้ายๆกับเนื้อทีนี้โดยสันฐานเนื้อเก้าร้อยชิ้นนี้ถ้าบอกว่าสําหรับเนื้อที่ปรีแข่งเนื้อที่ปรีแข่งของเราเนี่ยมีสันผานคล้ายกับข้าวที่เราไปหอ่อเอาไว้ ด้วยใบตาลมีสันฐานคล้ายกันเนื <BR EN issance> ้อขามีส <K r iss cuestión> ันฐานคล้ายๆกับหินบทเนื้อเนื้อที่ขามีมีสันฐานคล้ายๆกับหินบทส่วนเนื้อที่ตะโพกนั้นท่านบอกว่ามีสันฐานคล้ายคลกับก้อนเศ้าเนื้อที่ตะโพกของเราทุกคนเนี่ยมีสันฐานคล้ายๆกับก้อนเศ้า ส่วนเนื้อด้านหลังนั้นเหมือนเยื่อลูกตาลสุกมีสันฐานคล้ายๆกับเยื่อลูกตาลสุกในด้านสันหลังส่วนเนื้อทิโครงทั้งสองด้านเนี่ยถ้าบอกมีสันฐานคล้ายๆกับดินที่เข้าไปฉาบไวท้ที่ที่ฉางข้าวเหมือนดินฉาบฉางข้าวมีสันฐานคล้ายกันที่เนื้อที่ฉาบอยู่ตามสิโครงของเราเนี่ย มีลักษณะคล้ายกันอย่างนั้น <c oughs> ส่วนเนื้อฐานเนื้อถานทั้งสองท่านบอกเหมือนกับก้อนดินที่มาแฝนเอาไว้เหมือนก้อนดินที่แฝนเอาไว้สองก้อนบอกเนื้อแขนทั้งสองก็มีสัมผานเหมือนกับหนูใหญ่ตัวหนู หนูโตัวโตเนี่ยที่มาถลกหนังแล้วก็มาซ้อนกันหลายหลายตัวมีลักษณะคล้ายกันอย่างนั้นซึ่งก็คือกล้ามของเนื้อนั่นเองที่เราเห็นในรูปตามหลักสรีรวิทยานนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าในวิสุทธิมาร์เนี่ยอธิบายอุปมาคล้ายคลึงกันท่านอุปมาว่าเหมือนกับเอาหนูตัวโตๆมาถลกหนังออกหมดแล้วแล้วก็มาวางซ้อนกันเนื้อแขนสองแขนของเราเนี่ยที่กล้ามเนื้อก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้น อันนี้เป็นเป็นสันฐานของเนื้อส่วนสำคัญสาคัญที่เราทุกคนจะต้องศึกษากันไว้โดยละเอียดถ้าบอกโดยทิศแล้วเนื้อนี้ก็ตั้งอยู่บนกระดูกฉาบทากระดูกไว้ทั้งหมดสามร้อยท่อนจะถูกฉาบทาไว้ด้วยเนื้อเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่า มังสังซึ่งแปลว่าเนื้อท่านทั้งหลายจะต้องนึกถึงเนื้อเหล่านี้ทันทีว่าเนื้อก็คือเนื้อต่างๆเหล่านี้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเก้าร้อยชิ้นในตัวเราอันนี้เรียกวันเนื้อทีนี้คำว่า <Magazine. S 1> <Hey. S 2> เอ็นเอ like. ็นนี้ก็ได้แก่เอ็นทั้งหมดที่ร้อยกระดูกโครงกระดูกของเราเนี่ยให้ติดกัน ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคยไปเห็นโครงกระดูกที่โรงพยาบาลท่านจะเห็นว่ากระดูกของมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าตายแล้วมันก็หลุดกันไปคนละทางสองทางแต่ทำไมตอนเป็นๆเ น, เนี่ยมันถึงได้ยืนอยู่ได้โดยเฉพาะกระดูกขามันก็ไม่ใช่ใหญ่โตมโหรานอะไรนะเล็กนิดเดียว ที่มันสามารถเชื่อมติดต่อกันว่าจะเป็นกระดูกนิ้วหรือกระดูกอะไรก็าตามเว้นแต่ฟันสามสิบสองสี่เพราะว่าฟันนั้นได้จัดเป็นหมวดกรรมฐานในประจักษ์ปัญจกะแล้วที่กระดูกไม่กระจัดกระจายแล้วก็ติดกันได้เนี่ยก็เพราะมีเอ็นร้อยรัดเอาไว้เอ็นเนี่ยร้อยรัดเอาไว้ทุกส่วนสัตว์มันจึงไม่กระจัดกระจายไปไหนมีคอคอก็ตั้งอยู่บนบา่าไม่หลุดไปจากไหน มีแขนแขนก็ติดอยู่มีข้อมือข้อเท้ามันก็ติดอยู่รวมเป็นรูปร่างกายเราขึ้นอย่างนี้อาศัยเอ็นเป็นเครื่องร้อยรัดเอาไว้ทีนี้ถ้าถามว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมีเอ็นกันคนละกี่เส้นเอ็นนี้ท่านบอกว่ามีทั้งหมดคนละเก้าร้อยเส้นในคำพีวิสุทธิมาศได้แสดงไว้ว่าเราจะมีเอ็นกันคนละเก้าร้อยเส้นที่ร้อยรัดอยู่ ทั่วร่างกายนี้แล้วก็มีสันฐานไม่เหมือนกันแปลว่ามีเอ็นใหญ่ๆที่เราจะต้องรู้ไว้อยู่ห้าเส้นเอ็นห้าเส้นเนี่ยถือเป็นเอ็นใหญ่เอ็นที่สำคัญมากเวลานวด <c oughs> หมอนวดทั้งหลายจะต้องศึกษาดูว่าเอ็นห้าเส้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็กดตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปกดตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องรู้ แล้วก็เส้นบางเส้นนี้ถ้าไปกดมากก็ทำให้ตายได้เหมือนกันหรือกดเส้นบางเส้นก็ทำให้คนถูกนวดเนี่ยหลับไปได้อย่างนี้ก็มีฉะนั้นคนที่นวดเก่งๆแล้วก็คนที่ถูกนวดมักจะติดใจชอบให้นวดบ่อยๆเราจึงบอกว่าถ้าใครไปนวดบ่อยๆแล้วมักจะติดทำไมจะไม่ติดเพราะว่าเอ็นบางเอ็นเนี่ยพอไปสัมผัสถูกต้องเข้ามันทาให้เกิดความรู้สึกสบาย เป็นสุขไอ้ที่เคยเนื้อตัวมันตึงมามันก็ย่อหย่อนสบายกายขึ้นก็เลยทําให้ติดนวดเพราะฉะนั้นเวลาเนี้สถานอาบอบนวดจึงขายดีที่สุดแต่ว่าจะนวดกันในรูปนั้นหรือในรูปไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าไอการนวดเนี่ยมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความสุขโดยเฉพาะคนแก่ชอบชอบให หมอนวดบ่อยๆเพราะว่าทำให้ร่างกายที่ตึงท้งนู้นตึงทางนี้ตึงเนี่ยมันย่อหย่อนขึ้นเอ็น <N S 1> ทั้งหมดมีอยู่เอ็นใหญ่ๆมีอยู่ห้าเส้นเ้วยกันในเอ็นห้าเส้นนี้รึงรับตั้งแต่ส่วนบนตั้งแต่คอเนี่ยลงไปเล่นไปทางด้านหลังตั้งแต่คอไปไปทางด้านหลัง เส้นใหญ่แล่นไปทางข้างหลังมีอยู่ทั้งหมดห้าเส้นท่บอกว่ามีอยู่ห้าเส้นแล้วก็มีแล่นไปทางด้านขวาเนี่ยเส้นรองลงไปมีอยู่ห้าเส้นแล้วก็ด้านซ้ายนีย่อีกห้าเส้นเพื่อรัดแขนซ้ายแขนขวานะด้านละห้าเส้น คือตรงกลางเนี่ยแล่นไปห้าแล้วก็สองข้างเนี่ยอีกด้านละห้าอันนี้เป็นเอ็นใหญ่ที่รึงรัดมือและเท้าของเราเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็ทั้งหมดนี้สามารถที่จะยึดอวัยวะส่วนสาคัญสาคัญเนี่ยไว้ได้แล้วก็จะมี <c oughs> เอ็นเนี่ยรัดเท้าทั้งสองข้างไว้อีกด้านละห้าเส้น รัดเท้าของเราไว้เนี่ยเท้าเราจรึงไม่หลุดเวลาเราสะบัดเท้าก็ดีมันน่าจะหลุดกระเด็นออกไปสักทอนสองทอดเนี่ยมันก็ไม่หลุดหรือบางทีเราจะเห็นนักโมยเตะกันเนี่ยพอยกเท้าขึ้นเตะเท้าน่าจะหลุดไปสักปล้องสองปล้องมันก็ไม่หลุดลเพราะว่ามีเอ็นยึดเอาไว้แล้วก็เอ็นมนุษย์นี่เหนียวมากเป็นเอ็นที่เหนียวมากสิเดี๋ยวเราดึงเท่าไร่เท่าไหรไม่ขาด ทั้งทั้งหลายลองไปดึงมือดึงเท้าของคนสิดึงไม่เคยหลุดเหนียวเหนียวกว่าเชือกอีกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่รึงรัดตั้งร่างกายต่างเหล่านี้เอาไว้อันนี้เรียกว่าเอ็นแล้วก็ยังมีเอ็นเล็กเอ็นน้อยอีกมากมายทั่วตัวเราเนี่ยทั้งหมดรวมกันแล้ว900เก้าร้อยเซนยึดส่วนนุ้นบ้างไว้บ้างยึดส่วนนี้ไว้บ้าง <c oughs> ถ้าเราไปเห็นร่างโครงกระดูกที่ในแพทย์ร้อยเอาไว้จะเห็นว่าข้อต่อของกระดูกเนี่ยเกือบจะทุกข้อต้องร้อยด้วยด้วยรวดเล็กๆร้อยเอาไว้มันถึงไม่หลุดเราจะเห็นโครงกระดูกนี่ยห้อยแกว่งอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นองค์ของกรรมฐานองค์ที่สองคือณหารูบาลีใช้คําว่าณหารูซึ่งแปลว่าเอ็น ทีนี้องค์ที่สามอัติอัติเนี่ยแปลว่ากระดูกถ้าถามว่ากระดูกของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็ตอบได้ว่ากระดูกทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สามร้อยท่อนคนละสามร้อยท่อนแล้วก็เป็นกระดูกมือเสียหกสิบสี่ชิ้น กระดูกเท้า64ชิ้นก <c oughs> ระดูกอ่อนที่แนบยื่อยู่ในเนื้ออีก64ชิ้นแล้วก็กระดูกส้นเท้า2ชิ้นข้อเท้า2ชิ้นหน้าแข้ง2ชิ้นข่าวด้านละชิ้นแล้วก็เอวอีก2ชิ้นสันหลังอีก18ชิ้นกระดูกซี่โครงอีก24ชิ้น กระดูกหน้าอกอีกส4บสี่ชิ้นกระดูกที่หัวใจมีอยู่อีกหนึ่งชิ้นแล้วก็กระดูกรากขวัญสองชิ้นที่สะบักสองชิ้นที่แขนสองชิ้นแล้วก็ปลายแขนข้างละสองชิ้นกระดูกคอเจชิ้นคางสองชิ้นจมูกหนึ่งชิ้นกระบุกระดูกตาสองด้านอีกสองชิ้น กระดูกหูอีกสองชิ้นหน้าผากอีกหนึ่งชิ้นศีรษะหนึ่งชิ้นกระโหลกศีรษะมีทั้งหมดเก้าชิ้นกระโหลกศีรษะที่ประกอบกันเป็นกระโหลกมีอยู่เก้าชิ้น <c oughs> รวมทั้งหมดมีอยู่สามร้อยท่อนกระดูกเหล่าเนี้โดยสันฐานแล้วเป็นสีขาว <c oughs> กระดูกสีขาวเราใช้ <c oughs> สับเรียกคนที่มีความประหนีบว่าเป็นคนกระดูกขัดมัน <c oughs> ไม่รู้ว่ากระดูกขัดมันแบบไหน <c oughs> กระดูกขัดมันเนี่ยหมายถึงคงจะเนื้อไม่มีติดกระดูกเลยมีแต่กระดูกเนื้อไม่มีเลยเราเรียกคนประเภทนี้ว่าคนกระดูกขัดมัน <c oughs> สำหรับเรื่องกระดูกนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากที่ประกอบเป็นรูปร่างกายของเราขึ้น เราวได้ว่าไม่มีเครื่องกันสั่นสะเทือนอะไรที่จะดีเท่ากับกระดูก <c oughs> โดยเฉพาะที่เข่าของเราเนี่ยท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเข่าเนี่ยเป็นกระดูกที่เรียกว่ากันกระเทือนได้ดีที่สุดยังรถรางร ถ, งรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเวลาวิ่งไปบนถนนขรุขระรถจะไม่กระเทือนเท่าไหร่ เพราะอะไรเพราะว่าในตัวรถเนี่ยจะมีโช๊คอาบอยู่มีโช๊คอาบกันกระเทือนแต่ว่าโช๊คอาบรถยนต์เนี่ยสู้โช๊คอาบมนุษย์ไม่ได้คือโช๊คอาบของเรานี่ดีกว่าโช๊คอาบรถยนต์อีกเราจะกระโดดมาที่สูงเนี่ยก็ตามไม่กระเด้งถ้าเราไม่กระโดด <c oughs> และเราสปริงตัวได้สูงกว่ารถเพราะโช๊คอาบดีแล้วก็ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวลา <c oughs> มีของหนัก พูนอยู่บนบา่าบนหลังขนาดข้าวสารสองกระสอบกระดูกยังไม่หักเลยกระดูกเท้าเล็กนิดเดียว <c oughs> รับน้ำหนักได้สองร้อยกิโลได้สบายอย่างที่เห็นพวกจับกลางแบกข้าวสารเนี่ยสองกระสอบซ้อนกันเขาก็แบกได้สองร้อยกิโลเนีย่ยขึ้นไปทานไว้ยังไม่หักเนี่ยนับว่าโครงสร้างของเราแข็งแรงมาก เพราะฉะนั้น <c oughs> หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์สอนให้เราได้พิจารณาถึงกระดูกก็เพื่อจะได้รู้จักโครงสร้าง <c oughs> หรือส่วนประกอบของชีวิตที่เรายึดถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะกระดูกนั่นเองที่ทำให้สันฐานสวด ส, วสงของมนุษย์ แตกต่างกันความแตกต่างกันแห่งสันฐานส่วทรงเช่นนี้ก็จะถูกปรุงแต่งด้วยอํานาจของกิเลสปัญหาเ <c oughs> ช่นเนื้อกับกระดูกเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกทั้งสามอย่างถูกมนุษย์ปรุงแต่งด้วยอํานาจแห่งปัญหาเช่นอย่างคนที่มีโครงกระดูกใหญ่ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าคนนั้นนะ่เป็นคนสูงใหญ่ รูปร่างสง่าผ่าเผยก้อนเนื้อที่อยู่ฉาบกระดูกเอาไว้ก็มีสัญญาณแตกต่างกันออกไปคนไหนมีก้อนเนื้อมากจนเป็นตุ่มเดินได้เราก็บอกว่าคนนี้ไม่สวยคนไหนที่มีก้อนเนื้อได้สัสดส่วนเราก็บอกคนนี้เป็นคนสวยคนงามเนี่ยเรื่องเนื้อเนื้อกระดูกทั้งนั้น แต่ว่าเราไปปรุงแต่งกันว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงมีการบริหารกันขึ้นเพิ่มเนื้อส่วนนั้นมายุกเนื้อส่วนนี้เอาเนื้อส่วนนี้ไปปะส่วนนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มนุษย์ปรุงแต่งกันขึ้นมา <c oughs> ซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้โดยสภาวธรรมแล้วก็เป็นาธาตุของชาาและมรณะ <c oughs> เป็นของเปื่อยเน่าไม่ไม่เป็นของถาวรแต่เราไปยึดถือกันว่าเป็นของถาวรเป็นของดีซึ่งความจริงมันก็คือเรื่องเหล่านี้นั่นเองเป็นเรื่องของ <c oughs> เนื้อหนังกระดูกทั้งนั้นเรื่องของเอ็นแต่เรามองไม่เห็นสภาวะธรรมเนี่ย <c oughs> จึงเกิดการปรุงแต่งในทางที่ผิดผิดขึ้นสำหรับเนื้อนี้ <c oughs> ขาบทากระดูกสามร้อยท่อนนี้เอาไว้แล้วก็ประกอบกันเป็นรูปร่างมนุษย์เนี่ยขึ้น อ, อ, องค์ของกรรมาฐานข้อที่สี่คือเยื่อในกระดูก <c oughs> เยื่อในกระดูกเนี่ย <c oughs> เห็นยากเพราะว่าอยู่ในกระดูก <c oughs> เป็นเยื่อบางๆอยู่ภายในกระดูกทั้งเก้าร้อยชิ้นเนี่ยมีสีขาวอยู่ภายในของกระดูกทีหนึ่ง <c oughs> องค์กรรมฐานข้อที่ห้าคือม้ามม้ามนี่ท่านบอกว่ามีสีแดงอ่อนๆเหมือนกับมเมล็ดทองหลางเหมือนกับสีของมเมล็ดทองหลางเรียกว่าม้าม <c oughs> โดยสันฐานแลแ้วท่านบอกว่าเหมือนกับล้อสำหรับเล่นเหมือนกับล้อแร่นของอ่าล้อสองล้อสำหรับเด็กๆเกข็นเล่นกันเนี่ย บอมีสันฐานเหมือนกับผลมะ ม, ม, ม่วงสองลูกติดอยู่ในขั้วเดียวกันเหมือนมะม่วงสองลูกติดอยู่ในขั้วเดียวกันห้อยลงมาเป็นสองชิ้นอันเนี้ยเรียกว่ามา ม, <c oughs> มามันนี้เขาบอกว่าเป็นธรรมชาติที่ตุดติดอยู่กับเอ็นเส้นใหญ่ที่แล่นไปจากลำคอทั้งสองเส้น แล้วก็หอหุ้มเนื้อหัวใจไว้หอหุ้มเนื้อหัวใจไว้อีกทีหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามามฉะนั้นการกําหนด <c oughs> กรรมาฐานในข้อห้านี้เราก็กําหนดเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็มามเรียกว่าวัค ก, ก์ปัญจกะกก็คือกรรมาฐานหรือหมวดหมู่ของกรรมาฐาน ที่มีมา้ามเป็นองค์ที่ห้าเ <c oughs> นี่ยเป็นหลักปฏิบัติมีมา้ามเป็นองค์ที่ห้าเพราฉะนั้นถ้าหากว่าเราบริกรรมว่า <c oughs> เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามก็ต้องนึกถึงสันฐานของสิ่งทั้งห้าราวนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยง <c oughs> เอ่อเป็นของปฏิกูล คือกายคตาสตินี้เราจะต้องมองสภาพความจริงว่ามันคืออะไรถ้าถามว่ามันคืออะไรเราก็ตอบ่ะมันคือความปฏิกูลนั่นเองหรือสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั่นเองแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาให้เห็นถึงความปฏิกูลเหล่านี้แล้วก็ให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อถึงซึ่งความแตกดับแล้วมันก็จะกระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย